เพราะนั้นผู้บวชเข้ามาแล้วจงตั้งใจเจริญอธุภการกรรมฐานให้มากๆทีเดียวแหละเพ่งกายตนและกายผู้อื่นให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอยู่เสมอค <c oughs> วามจริงมันก็ไม่สวยไม่งามจริงๆมันจะสวยจะงามอะไรแล้ว มันสกโปกนั่นแหละเราจรึงได้อาบน้ําชำระอยู่ทุกวันทุกวันนี่นะถ้าลองไม่อาบน้ำํำลองสักเก็ดวันลองดูสิมันส่งกลิ่นออกไปใกล้ผู้อื่นก็ไม่ได้เลยเพราะอะไรลนะมันจึงเป็นอย่างนั้นเอา้าต้องสาวหาต้นเหตุมันสิอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่นะ่ะมันสะอาดหรือมันสกโรกออเราก็รู้ได้เลย มันถกกรโกรกแต่มันร่างกายอันนี้มันอยู่ด้วยอาหารถกกระกเช่นนี้จะไปเอาของแห้งแห้งของแข็งแข็งอะไรไปไอ้มันย่อยมันย่อยไม่ได้ถาดไฟนะเจงเอาของเหลวๆอย่างนี้ลงไปไปถาดมันย่อยได้แตถ้ากดย่อยอน้าอาหารส่วนละเอียด ไปซึมซับไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนนี่ส่วนหยาบก็ระบายออกไปสู่กระเพาะล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปทางทาวรหนนะักก็อย่างนี้แหละลองพิจารณาดูการถ่ายเทของเก่าออกไปนั้นก็มีกลิ่นเหม็นใจสะอาดเมื่อไรบัณนี้อาหาร ละเอียดที่ไฟธาตุย่อยไปซึมซาบไปเรียงร่างกายนั่นมันก็ซึมซาบออกไปตามกลุ่มขนทำงานหนักเข้าไปไฟธาตุมันร้อนแรงมันก็ขับเหงื่อออกมาเหงื่อนั่นแหละเรียกว่าเศษของอาหารละเอียดที่มันรเราเลี้ยงร่างกายมันหมดอายุขอมาแล้วมันก็ออกมาเป็นเหงื่อใคร เหงื่อออกมาแล้วไม่ทําระล้างมันแห้งเข้าเกิดกังมันก็ติดเข้าเป็นไคลในร่างกายนี่สะสมไว้ยมากเข้าไปมันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกไปแตะจมูกเจ้าของเองด้วยแตะจมูกคนอื่นด้วยอันนี้นะลองคิดดูให้ดีในร่างกายอันนี้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่สะอาดตามความเป็นจริงไอ้ที่ว่ามันสะอาดนั่นเพราะตกแตง่งผิวนอกนี่ต่างหางรอกเพราะอาบน้ำขัดสบู่ถูตัวชำระเหงื่อใครออกไปแล้วก็เอาผ้ามนุ่งผ้าหมเอาเครื่องประดับมาใส่เข้าเอาทุมหูสร้อยคอแหวนเพชรสร้อยข้อมือ นาฬิกาโคอะไรอยู่นี้นะประดับเข้าไปแล้วก็แพลวพราคนทั้งหลายเห็นก็ว่าสวยงา ม, มที่จริงไม่มีอะไรสวยภายในลนะมันสกกระโปกอยู่ตามธรรมชาติของมันมันสวยแต่ภายนอกเพราะอาศัยการประดับตกแตง่งเท่านั้นเองอย่าไปหลงทวานทั้งเก้านั่นแนะ ทวานตาทวานหูทวานจมูกทวานปากทวานหนักทวานเบาเหล่านี้นะเป็นที่ถ่ายเทออกซึ่งสิ่งโสโครกของเสียที่มีในร่างกายเช่นน้ำมูกน้ำลายสาเลซอะไรหม่นี้นะขอ้ตาขี่หู ที่จำโมที่ลิ้นอันหมูนี่นับผามันเป็นของเสียอยู่ภายในร่างกายนะั่นถ้ามันไม่ระบายออกมาตามทวารทั้งเก้านี่ร่างกายนี้จะวิบัติจะอยู่ไม่ได้เลยโรคภัยจะเกิดขึ้นเบียดเบียนเอาอแปร่วนแตกดับไปไวๆวทีเดียวแหละ อันนี้ให้พากันพิจารณาเพ่งดูความจริงของร่างกายให้มันเห็นอย่างนี้ถ้าเพ่งดูภายในเรีกว่าเราเพ่งดูด้วยยา น, นความรู้วันนี้นะถ้าเพ่งดูด้วยตาเปล่านี่ไม่เห็นเพราะมันอยู่ที่ลี้ลับหนังหุ้มอยู่โดยรอบหมดเลย สมมดว่าถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วอย่างนี้นะมันจะต้องเห็นเลือดเห็นน้ำเลือดน้ำเลืองอะไรต่ออะไรทนลักออกมาไม่น่าดูสักนิดเดียวเลยถ้าแหวะพุงนั้นออกไปยิ่งแล้วใหญ่เลยไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดโครงกระดูก เลือดทังเผดเส้นเอ็นเส้นน้อยเส้นใหญ่หลึงรัดโครงกระดูกนี่ไว้ อ, อันมูนี่นะเราต้องรื้อถอนออกดูสิร่างกายอันนี้ไนยะเดี๋ยวเมื่อเมื่อรือร้อออกแล้วเราถามจิตใจตัวเองโดยสิว่าไอ้ที่ไหนว่ามันสวยมันงามนั่นตรงไห น, นอ่ะ แน่นอนนะทุกคนก็ตอบตัวเองได้เลยว่าไม่มีไม่มีอะไรสวยงามมีแต่สิ่งซกกรกโทโครกอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าทิ้งไว้นานวันไปยิ่งทรงกลิ่นเหม็นมีสีสันก็ไม่งามเลยดำคล่ำไป มีมแมลงวันมาไข่มีนอนไปใส่กินอยู่งั้นแหลงกาสุนักมาเยอะแยะกันกินนี่ถ้าเอาไปเผาไฟก็เหลือทั้งแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นแล้วมันจะมีอะไรเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีพอใจ บุคคลที่ไม่พิจารณาเห็นความจริงของร่างกายอย่างว่านี่แหละมันจึงหลงรักหลงใคร่หลงกำหนัดกินดีไปต้องมันภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่บ่อยๆทีเดียวแเลอ น, น, นานๆที่พิจารณาครั้งหนึ่งไม่ได้ต้องพิจารณา บ, อบอ่อยๆออ บวชก็เห็นโทษแห่งกรรมคุณแล้วยังได้มาบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วยังเจีหวนกลับยินดีมันไปอีกอย่างนี้มันหลอกตัวเองนั่นแหละกิเลสมันเป็นผีหลอกมันหลอกใจตัวเองใจไม่มีปัญญาก็เลยหลงกลมายาของกิเลสเลยไปตามกิเลส เอา้าถ้าไปหามันแล้ ว, วันนี้มันก็บังคับให้ทำงานไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่มีเงินจะกินอันเป็นนักวดนี่แด้ ว, ว่ามีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านผู้มีศรัทธาไดบริจาคทานมาจึงไม่ต้องมีเงินไม่มีเงินไม่มีทองอะไรก็อยู่ได้ส่วนเป็นเครือข่านั้นไม่มีใครเลี้ยงใคร ตนเองต้องเลี้ยงตัวเองต้องหาอยู่อย่างนั้นกำพ้นทนแดดลำบากลกลารรมข้ามไม่ได้ยืนคืนไม่ได้ยุดไม่ได้รับสเสแวงหาอยู่เพราะนัานั่นถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วยิ่งเอาใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวผลิดกันออกมาเลย ก็เป็นภาระแล้ววันนี้ต้องหาเลี่ยงกันนี่แหละโทษแทงความกำหนัดยินดีมันให้ทุกในภายหลังในรับความขมขืนจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้บันนี้ตัวเองหูกผูกมัดตัวเองติดสนักเต็มที่แล้วทุกทนทรมานยังไงก็จำใจต้องทนทุกทรมานไปอยู่อย่างนั้น ในที่สุดร่างกายนี่มันก็ทุดโทรมไปทุกฝ่ายไม่มีอะไรเปล่งปังไม่มีอะไรตึงตังอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเนที่ว่าสวยว่างามมาก็ํำรุดทุดโทรมหย่อนยานลงไปหมดตาก็มัวหูก็อือผมก็งอกขาวันก็โยกคอนหลอนไปเคี่ยวอาหารก็ลำบาก ไอเอ็นก็หดบั้งยานบั้งน้ำมันไขข้อก็แห้งเดินก็ขัดไม่สะดวกเลยลุกก็ยากนั่งก็ยากจะไปทำการทำงานหนักเหมือนใจยังลุ่มไม่ได้เลยก็ต้องมีถ้าอยู่คองเรือนก็อาศัยกินแต่กับลูกกับหลานไป พอรอวันตายเท่านั้นเองแต่ลองพิจารณาให้มันถึงที่สุดลองดูสิร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ถ้าพิจารณาไม่ถึงที่สุดแล้วมันไม่เบื่อไม่นายอย่าให้มันพิจารณาอย่าให้มันค้างอยู่ต่อพิจารณาตลอดถึงมันนุ่นขึ้นสู่เชิงตะก้อนไปเผานุ่นยังเหลือแต่เท่ากับกระดูก กระดดกนั่นเอาให้ใครเขาก็ไม่เอานอกจากว่าลูกหลานเท่านั้นแหละนับถือก็ปู่ย่าตายายของเราก็เอาก็พากันไปบรรจุไว้แห่งใดแห่งหนึง่งถึงปีหนึ่งนู่นไอ้ผู้ใจบุญนะจึงมาสักบังสกุลอุทิศส่วนบุญกุศลให้ก็มันเป็นอย่างนี้นี่ชีวิตนะ ให้พิจารณาดูให้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้เราผู้มีบุญวาสนาได้สร้างได้สังสมมาแต่อดีตทนหลังจึงโดนบรรดาให้มีศรัทธามาบวชแล้วก็บวชบวชอยู่ในอรัญญิกาวาสจูป่าเป็นสถานที่กันดาน เป็นสถานที่สงบสงดเปล่าเปลี่ยวอยู่ก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีคู่ชนิดอยู่ป่าอย่างนี้แหละบุคคลเทตาก็ไม่บุญไม่แรงนะจะอยู่ไม่ได้เลยเหงาตายแต่อย่างนั้นอันนี้ก็ยังอยู่กันได้ยินดีอยู่กัน เร้จะยินดีแต่ความสงบสงดเท่านั้นแล้วไม่ทำความเพียรไม่เจริญพระกรรมฐานให้ปรากฏใน จ, ใจิตใจสักหน่อยกิเลสธรรมานมันก็มาดึงไปอีกแล้วอยู่ในป่า ท, ที่สงดไม่ได้อีกเพราะนั้นอย่าพากันประมาทอย่าพากันเล่งทำความเพียรเข้าอย่าไปเห็นแก่หลับแกนอน ผู้ที่เห็นเกยลับแก่์นอนนี่แหละนักว่าเป็นภัยอันร้ายแรงมากทีเดียวอืเพราะผู้คนนอนมากนะมันไม่มีปัญญาเลยแหละกิเลสมันก็มากอ่ะนี้ร่างกายก็อ้วนท้วนวินิลาฆาตัญหาในมันก็กำเริบแหละคนนอนมากผู้ใดทําอะไรลงไปมันต้องรู้เองมันนี่มันต้องรู้นั่นแหละต้องการเพื่อจะให้รู้เองอะ่ะ รูว่าทำอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อทุกข์ให้มันรู้ด้ดยตนเองอย่าไปหลงไปเมาอยู่ตลอดเวลาอ่านตัวเองไม่ออกใช้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่สาวกของอุทธเจ้าแบบนั้นเออนี่เรานอนเท่านี้กิเลสมันยังกำเริบอยู่เนี่นอนน้อยลอง เราฉันเท่านี้กิเลสมันยังกำเริบอยู่ฉันน้อยลงกลัวเ่ามันต้องดัดทางกายเข้าช่วยด้วยเราจะไปดัดแต่จิตใจอย่างเดียวไม่พอไม่ไหวมันต้องเอาทางกายเข้าด้วยอย่าไปกลัวตายมันไม่ตายหรอกพระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระองค์อดนอนพ่อนอาหารจน ร่างกายสูพร้อมยังแต่หนังติดกระดูกระองก็ยังไม่ตายบุญมีถ้าอย่างเดียวแล้วไม่ตายหรอกพี่บุคคลทำความเพียรพยายามเจริญพระกรมฐานเพื่อบรรเทากิเลสออกจากกิจใจนี่แล้วตายด้วยความเพียรนั้นดีกว่าที่บุคคลไม่ทำความเพียร ป้อยให้กิเลสตัณหาครอบงมจิตใจแล้วทำบาปทำกรรมมันชั่วใส่ตัวเองเพราะอำนาจแห่งราคะโทสะโมหะนั้นออย่างนั้นบุคคลผู้ฉะนั้นจะมีอายุยืนอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์อะไระเพราะว่าผู้นั้นตายแล้วจะต้องไปสู่นรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนาน เม่เป็นเช่นนี้เราจะมีประโยชน์อะไรแล้วอายุยืนนะนะยืนอยู่ด้วยการทํำคำมันชั่วยืนอยู่ด้วยการสะสมกองกิเลสเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อเตือนตนได้อย่างนี้มันก็มัน่นขยันะไม่เห็นแก่รัาแก่โ น, นนะ้นเห็นแก่ขบแก่ฉันรู้จักประมาณตัวของตัวเอง อันผู้ที่อดอาหารก็ไม่ถูกต้องหรอความจริงนะเพราะพระศ า, าสดาอดมาแล้วไม่สําเร็จอรับพร อ, อาหารนี่ดีอันนี้นะ่ะพร อ, อาหารนี่ดีพรพอประมาณถ้เห็นว่าจิตใจมันเป็นปกติแล้วไม่ดื้อลั่นแล้วอย่างนี้แล้วก็ชั้นเต็มอัตราก็ได้ แต่มันกำเริบเสบสายกันเอาผ่อนลองอย่างนี้นะการฝึกตนเนี่ยหลวงปู่ก็ฝึกตนมาแบบนี้แหละตอนแต่ยังนุ่มไม่เคยได้อดอาหารอย่างเพื่อนหรอกว่ายัางอดก็วันเดียวเท่านั้นแหละอืมแต่การผ่อนอาหารนี่อันนั้นเรียกว่ามันก็จะว่าเกินขอบเขตก็ได้ เพราะฉันเข้าวันละฝายมือเข้าเจ้านะไม่ใช่เข้าเหนียวอะ่ะฉันเข้าวันวันละฝายมือนี่ตลอดสามเดือนอย่างนี้ร่างกายมันก็้อมยังแต่หนังติดกระดูกรู่นเลยแต่แล้วลมันก็ไม่ตา ย, เ, ยเมื่อบินรบาดฉันบินระบาดตามปกติไปแล้วร่างกายมันก็อ้วนขึ้นตาม สภาพของมันตามเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวตายการทำความดีนี่ไปมัวแต่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนร่างกายอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าผูใ้ใดกลัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสไม่แห้งเลยทำความเพียรก็ทำพอแต่ขอไปที นั่งภาวนาก่อนนั่งพอเป็นประเพณีอย่างนี้นะ เ, เช่นนี้แล้วกิเลสมันจะบันเราไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนว่าท่านทั้งหลายจงทำความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนอย่างนี้แลหละกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ใน จ, ใจิตใจ ทีนี้เมื่อบุคคลไม่ทำความเพียรไม่น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตไม่ทำจิตให้สงบลงไปอย่างนี้นะกิเลสมันก็สบายอยู่แต่ถ้าทำความเพียรน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตเพ่งความรู้สึกอันนี้มันสงบมันไม่คิดไม่ปรุงไปที่อื่นคราวนี้อนุภาพแห่งสมาธิน่นนะมันไปทับเอากิเลส กิเลสอยู่ไม่ได้เดือดร้อนนะอืมเมื่อกิเลสมันโผล่ออกมาแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดแหละกิเลสต่างๆความรักความชังความหลงความเมาล้แต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลาเรื่องใดอารมณ์ใดโผล่ขึ้นมาในจิตใจแล้วก็พินัยเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นอื แต่พิจารณาจ ะ, จะเจริญปัญญาต่อถ้าเห็นว่าสมาธิมันจะอ่อนแอแล้วมันจะถอนเองก็เอาหยุดพิจารณาแหงความรู้สึกอันนี้เข้าไปให้มันส ง, งบลงไปอีกทีหนึ่งเมื่อมันส ง, งบได้ที่แล้วเอาอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วกูพิจารณาอันนั้นให้มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่าให้มันสงสัยลังเลอย่างนี้นะเช่นนี้เลย เมื่อพิจาณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็โปรงความวางแล้วรวมจิตลงไปหนึ่งเหมือนเดิมเพ็งความรู้สึกอันนั้นน่ะให้มันยิ่งให้ให้ความให้ความรู้อันนั้นมันยิ่งรู้อะไรรู้ไตรลักษณ์ญาณแลยรู้ว่าสังขารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหมดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยสักหน่อยเดียว ดังแสดงมา